ท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สองมกราคมพุทธศักราช2558เป็นวันหยุดต่อเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่สงท้ายปีเก่า พอดีเป็นวันขั้นระหว่างวันเสาร์กับอาทิตย์ก็เลยได้มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวันทำให้ญ า, า, าติโยมผู้ไฝ่บุญไฝ่กุศลได้มีโอกาสมารสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นจึงเรียกว่าวันนี้เป็นวันกำไรบุญเพราะาไมเช่นนั้นวันนี้ก็จะต้องไปทำงานทำการ ก็จะไม่ได้มาทำบุญกันการทำบุญนี้เป็นความสำคัญแก่ชีวิต จ, จิตใจของพวกเราเป็นอย่างมากเพราะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้จิตใจเรามีความสุขมีความอิ่มหนำสําราญใจและเวลาที่เราต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปก็จะเป็นทรัพย์ ที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้เพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ใจ่ายไปพักตามโรงแรมห้าดาวไปรับประทานอาหารระดับห้าดาวถ้าเราไม่ได้ทำบุญปัจจุบันจิตใจเราก็จะไม่มีความสุขและเวลาตายไปเราก็จะไม่มีทรัพย์ติดตัวไป เราก็จะต้องไปเป็นขอทานนี่คือเรื่องของบุญที่เกี่ยวข้องกับตัวพวกเราที่พวกเราไม่ควรมองข้ามไปเพราะตัวเราที่แท้จริงนี่คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องมือเป็นลูกน้องไว้รับคําสั่งจากใจ นะเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจต้องเดินทางต่อไปถ้าทำบุญไว้มากมีบุญมากกว่าบาบุญก็จะเดึงไปสู่สวรรค์ถ้าไม่ได้ทำบุญเวลาตายไปบาบมีมากกว่าบุญบาบก็จะเดึงให้ไปเกิดในอบาย ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกดังนั้นการทำบุญจึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะขวนขวายทำกันให้มากๆเพื่อให้บุญของเรามากกว่าบาปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่ถึงเรียกว่ามันกำไรบุญนี่ก็เป็นเหมือนกับเงินฝาก ส่วนบาปก็เป็นเหมือนกับเงินกู้งเงินกู้มาเราก็ต้องใช้นี่เงินฝากก็เป็นของเรามีดอกให้เราแล้วเราสามารถเบกไปใช้จ่ายสิ่นต่างๆที่เราต้องการจะใช้ได้นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วได้นาเอามาเผยแผรสั่งสอน ให้แก่พวกเราที่มีความศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันเพราะผลที่จะตามมานั้นจะเป็นผลดีเป็นความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจจะได้พัฒนาจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพก็ขึ้นไปเป็นพรห์ อยากพรมก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพะารานนพะพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำกันอย่าทำบาปเพราะทำบาปจะทำให้เราตกต่ำจะทำให้เราเสื่อมจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายและเป็นนรก ถึงแม้ว่าเราจะมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าใจเราทำบาปใจเราจะเสื่อมลงไปทันทีไม่ต้องรอให้ตายใจเรานี้เปลี่ยนได้ตามบุญตามบาปที่เราทำวันนี้เรามาเปลี่ยนใจเราจากเป็นมนุษย์ให้มาเป็นเทวดาด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีล ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะเปลี่ยนใจของเราให้เป็นพรหมถ้าเราปองลนิจจำทุกขังอนัตตาได้พิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะไม่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวและไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเวลาเขาจากเราไปเราก็ร้องหผงร้องไห้ เวลาเขาอยู่กับเราเราก็วิตกกังวลกลัวว่าเขาจะจากเราไปมีอะไรแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งตาสิ่งนั้นทันทีถ้าไม่มีก็ไม่ทุกข์ถ้ามีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีภรรยามีบุตรมีธิดาก็ต้องทุกข์กับบุตรกับธิดาเพราะเรารักเขา เราห่วงเขาเราอยากให้เขาดีไปนานๆอยู่กับเราไปนานๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่ไปได้ดนานๆทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันหมดไปร่างกายของเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหายไปกลายเป็นขี้เถ้าไปเวลาคนตายเขาก็เอาเข้าเตาเผา เผาเสร็จก็เหลือแต่ขี้เท่าเหลือแต่เศษกระดูกถ้าผู้ใดเห็นความจริงอันนี้จิตใจก็จะไม่ยึดไม่ติดจะปล่อยวางจะไม่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราไปตลอดเพราะเป็นไปไม่ได้พอใจปล่อยวางแล้วเวลามีการพัดภาคจากกันใจก็จะไม่ทุก นี่แหละคือใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดพราจากสิ่งต่างๆเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถสั่งให้สิ่งที่ตนเองมีอยู่นี้ อยู่ไปนานๆานอยู่กับตนไปไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสูญผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดพอไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอันนี้เป็นธรรมสูงสุด เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายผู้ใดได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วผู้นั้นก็ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปพราเห็นการเวียน่าวตายเกิดนี้เป็นเหมือนกองไฟผู้ที่ออกจากกองไฟแล้วจะไม่กลับเข้าไปหากองไฟเพราะกองไฟมันร้อนมันพอมันเผา มีใครอยากจะเดินเข้าหากองไฟบ้างมีแต่อยากจะเดินหนีออกจากกองไฟเวลาไฟไหม้บ้านมีใครบอกจะขออยู่ในบ้านนี้ไปเรื่อยๆบ้างพอไฟไหม้ก็รีบกระโจนออกเพราะมันเป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะจะทำให้จะต้องมาทุกข์กับความแก่ ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปแต่ถ้าไม่ได้มาเกิดก็จะไม่มีความแก่ที่จะต้องทุกข์ด้วยไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความตายไม่มีการสูญเสียที่จะต้องมาทุกข์ด้วยนี่แหละผู้ที่ฉลาดจึงไม่กลับมาเกิดผู้ที่กลับมาเกิดนี้ คือผู้ที่ยังโง่ยยังมองไม่เห็นความทุกข์ในวัฏะสงสารยังมองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสือ่อมยังมองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการดับของสิ่งต่างๆไปพวกเราสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองเดินเข้าหาความทุกข์เองแล้วก็มาร้องหหม่ร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจ เพราะเราไม่ดูความจริงกันเราไม่ดูว่าสิ่งที่เราเข้าหานี้มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเช่นเราหาอะไรกันทุกวันนี้เราก็หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะของพวกนี้มันมีวันเสื่อมเหมือนกับของที่เราซื้อมาสมัยนี้เขาจะมีวันมนเขาจะเขียนวันที่ไว้ว่าวันหมดอายุ ถ้าใช้หลังจากวันนั้นไปแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้ได้เพราะของที่มีคุณภาพนั้นจะเสื่อมคุณภาพไปและอาจจะกลายเป็นพิษขึ้นมาก็ได้เขาจึงมีกฎหมายบังคับให้ลงวันที่ไว้วันที่ไม่ควรที่จะบริโภคของพวกนั้นหลังจากวันที่นั้นไปแล้ว เพราะคุณภาพมันได้เสื่อมหมดไปแล้วนี่แหละคือสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันเสือ่อมมีหมดวันหมดไปผู้ที่ไม่มองเห็นความจริงอันนี้ <c oughs> ก็จะต้องร้องหมร <c oughs> ้องห้าวเศร้าโศกเสียใจ <c oughs> เวลาที่สิ่งที่ตนรักที่ตนชอบหรือบุคคลที่ตนรักที่ตนชอบ จะต้องเสื่อมต้องหมดไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนพวกเราให้มันดูฉลาดวันที่เขาเขียนวันหมดอายุไว้เวลาเราซื้อของควรจะดูที่ฉลากกันถ้าไม่ดูแล้วบางทีถูกร้านเท้อต้มก็เอาของเก่ามาขายให้เราพอดูวันที่อ้าวมันหมดอายุเสียแล้วแต่ถ้าเราคอยสังเกตทุกครั้งที่เราซื้อของ เรามองไปดูที่ฉลาคว่าวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่พอเรารู้ว่ามันใกล้หมดอายุเราก็จะได้ไม่เอาเราก็เลือกอันที่มันมีอายุยืนยาวนานฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาก็มีวันหมดอายุเราควรจะดูวันหมดอายุกันแต่วันหมดอายุของสิ่งต่างๆนี้มันไม่มีฉลาดมันไม่แน่นอน อาจจะหมดวันนี้ก็ได้อาจจะหมดปีหน้าก็ได้อาจจะหมด1ิปีข้างหน้าก็ได้อย่างร่างกายของเรามีใครรู้บ้างว่าชลาของเราวันหมดอายุของเราวันไหนบ้างบางคนก็อาจจะเป็นวันนี้ทุกคนทุกวันนี่มีคนตายอยู่ทุกวันแล้วก็ตายทุกอายุด้วยทุกวัยด้วยไม่ใช่จชะเฉพาะแต่คนอายุ90อายุร้อยปี ที่ตายคนที่อายุหนึ่งวันตายในวันนี้ก็มีเจ็ดวันตายในวันนี้ก็มีเดือนหนึ่งก็มีปีหนึ่งก็มีสองปีก็มีมีทุกอย่างมีมีหมดไม่เชื่อลองไปดูบัญชีคนตายไปตรวจดูบัญชีคนตายดูในประเทศจะมีคนตายทุกอายุทุกวัยเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีไม่มีอะไรแน่นอน ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทเราควรที่จะมารีบทำบุญกันในขณะที่เรายังมีโอกาสที่จะได้ทำบุญเพราะเวลาเราตายไปแล้วเราไม่สามารถทำบุญได้เวลาตายไปเป็นเวลาที่เราจะไปรับผลบุญผลบาป ก, กันถ้าไม่ทำบุญทำแต่บาปก็จะไปรับผลบาปที่ไม่มีใครอยากจะรับกันไม่มีใครอยากจะไปเกิดเป็น เดรัจฉานกันแต่มันไม่มีใครห้ามได้ถ้าลองทำบาปแล้วแม้แต่ใครในโลกนี้ก็ไม่สามารถนายับยัง้งการบรรับผลของบาปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยับยั้งไม่ได้พ่อแม่เพื่อนสนิทมิตรสหายก็ดึงเราไว้ไม่ให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ได้ถ้าเราทำบาปแล้วมันจะต้อง ส่งผลตามตามบาปที่เราทําไว้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ต้องไปรับผลบาปถ้าเราทําแต่บุญเราก็จะไปรับผลของบุญไปรับผลของบุญที่จะทําให้เราได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์นี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถ สร้างให้กับเราได้เราเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ด้วยการกระทาของเราถ้าเราทำบาปเราก็จะสร้างเดรัจฉานสร้างเปรตสร้างนรกให้กับเราถ้าเราทำบุญเราก็จะสร้างเทวดาสร้างพรหมสร้างพระอริยเจ้าให้กับเราไม่มีใครสามารถสร้างให้กับเราได้เราเป็นผู้สร้างเอง พระพุทธเจ้ายัางสอนว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องเป็นผู้สร้างที่พึ่งให้กับเราที่พึ่งของเราก็คื อ, อพบที่ดีต่ตางๆนี่เองส่วนที่เราไปรับโทษรับทันก็คืออบายที่เกิดจากการทำบาปพระพุทธเจ้ายัางสอนให้พวกเราพยายามทำบุญ อย่าทำบาปแล้วเราจะปลอดภัยเราจะได้ไม่ต้องไปติดคุบติดตารางในอาบายแต่ถ้าเราไม่เชื่อไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำแต่บาปบุญไม่ทำตายไปก็จะต้องไปรับผลบาปอย่างแน่นอนทาไมเราจึงมีเดรฉ า, านทาไมเราไม่มีแต่มนุษย์ในโลกนี้ก็เพราะว่าเดราชาญเขาทำบาปในอดีต ในอดีตตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขาทำบาปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นบาปเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพเขาคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เขาจำเป็นจะต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำแล้วเขาก็จะอดตายเขาก็เลยทำนี่ก็เป็นลักษณะของเดรัจฉาน เดลฉาเขาก็ต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อที่จะยังชีพเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปแต่พวกเราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปและเกี่ยวกับผลของบุญของบาปที่จะตามมาพวกเราถ้ายังไม่ยอมเชื่อก็ช่วยไม่ได้ แต่ยังอยากจะทำบาปไม่ชอบทำบุญก็ช่วยไม่ได้ถึงเวลาที่จะต้องไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้เพราะเราเป็นผู้กระทำเองเราเป็นที่พึ่งของเราเองเราสร้างที่พึ่งที่เป็นไฟมันก็ร้อนเผาเราเราสร้างที่พึ่งที่เย็นมันก็ให้ความร่มเย็นเต็นสุขกับเรา ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญมีความร่มเย็ยนเป็นสุขมีพบชาติที่ดีที่จะตามมาต่อไปอนาคตก็ขอให้เรารีบทําบุญกันให้มากบ้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะหมดเมื่อไหร่นั่นเองถ้าเราคอยผัดไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถ ทำบุญได้แล้วถ้าบาปเราทำไว้มีมากกว่าบุญเราก็จะต้องไปใช้บาปนี่คือกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครเป็นผู้กาหนดมันเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งที่เราควรที่จะเชื่อก็เชื่อกฎแห่งกรรม แล้วพยายามทำแต่กรรมดีอย่าไปทำกรรมไม่ดีพยายามทำบุญอย่าไปทำบาปแล้วผลที่ดีก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับเราดังนั้นในวันช่วงที่มีวันหยุดหลายหลายวันเราจึงพยายามควรจะทำบุญกันให้บ้างๆอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจหรือไปทำในสิ่งที่เกิดโทษ เช่นไปทำบาปถ้าไม่สามารถทำบุญก็อย่างน้อยก็อยู่เฉยๆนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ได้อันนี้ยิ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำทานเียถ้าเรานั่งเฉยๆทำใจให้สงบได้ใจของเราก็จะมีความสุขมีความเจริญขึ้นมาดังนั้นเราไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเงิน ไม่สามารถทำบุญได้ไม่มีเงินเราก็ยังสามารถทำสมาธิได้สมาธิก็เป็นบุญที่มากกว่าบุญที่เราได้จากการทำทานเสียอีกอย่างนั้นขอให้พวกเราพยายามทำกันแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตามมาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา